ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่มบริวาณในวันนี้คงจะพูดเรื่องสมาสติในส่วนที่ว่าด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐานต่อจากที่ได้กล่าวไว้ในวันก่อนวันก่อนได้พูดถึงเรื่องทรงสออในดูกายที่ลมหายใจเข้าออก ซึ่งเป็นตัวกายสังขารคือสิ่งที่ปรเปลื้อหล่อเลี้ยงร่างกายเราให้ดำรงอยู่ในช่วงต่อไปนะั้นให้ดูร่างกายคือให้มีสติราลึกรู้สติสัมยัญความเพียรเนี่ยกากับอยู่ที่อริยบททั้งสี่คือยืนเดินนั่ง น, นอนหมายความว่าเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ มื่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่ก็แสดงไงเห็นว่าเราสามารถใช้เรียบบทใหญ่ทั้งสี่นะฮะคนเราก็มีเรียบบทใหญ่ก็แค่สี่อย่างก็ยืนเดินนั่งนอนเล้ก็ใช้สติเราลึกกำกับอยู่กับเรียบบทยืนก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่เดินก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินอยู่นั่งก็รู้ขณะนี้เรานั่งอยู่นอนเราก็รู้ว่าขณะนี้เรานอนอยู่ เพื่อสติมันกำกับอยูิกายสติไม่คิดตเตลิดไปในที่ใดที่หนึ่งคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราอาจจะฝึก ป, ปลือมาจากเช่นสมมติว่าทํางานก็มีสติอยู่กับงานที่เราทําขับรถก็มีสติอยู่กับการขับรถข้ามถนนก็มีสติกับการข้ามถนน จ, น, นจะกินอาหารจะอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยคือชีวิตประจําวันของเราที่เราใช้ไปเนี่ย ให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เผลอเร่อไม่หลงลืมไม่พลั้งพลาดไม่เลอะเรือนไม่เลือเ่อนไ ห, อนหลหไปตามกระแสะของอารมณ์มีการมือลอยต่งตางๆเนี่ยเดีวก็ฝึกดูหยาบๆไปก่อนกำกับอยู่กับปริยบ ท, ทึงสี่เนี่ยถ้าวันเราสังเกตสมมุติเรานึ ก, เ ร, นกเรานึกถึงร่างกายเราในจากจากตรงกลางนะ น, นะจิน เวิบมาจากกลางกลางศีรษะแล้วลงมาด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจำนองคล้ายๆกับเราเอาสมุดหนังสือมาวางแล้วเราก็ลากเส้นรอบหนังสือสมุดดินสอเนี่ยมันก็ทําให้สติมันวิ่งไปรอบตัวเราแล้วก็ฝึกเปื่อมันคุ้นคือจิตไม่เลื่อนลอยเพราะว่าจิตเนี่ยที่จริงมันมันควบคุมมันยาก พระเจ้าทรงแสดงไว้ว่าบุคคลใดจกระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสริระมีท่ำืนร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้บุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาเรื่องใหญ่เลยนะเพราะโดยธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยมันจะดิ้นรนกวัดแวงห้ามยากรักษายากมากตกไปในรมที่ชั่วอุปมามันก็ปลานะ ปลาที่มันเกิดเจริญเติบโตอยู่ในน้ําเนี่ยมันเพาะมันมันยึดติดในอะไรคือน้ําอยู่เพันถ้าใครไปจับปลาขึ้นมาจากน้ําเนี่ยปลาต้องดิ้นนะฮะเพื่อกลับไปสู่น้ําจิตใจของเราเองมันก็หมกมุ่นวุ่นวายอยู่ในกรรมคุณสิเนหาเยื่อใยผูกพันอะไรอยู่ที่กรรมคุณเพราะฉะนั้นเมยกจิตขึ้นมาจากกรรมคุณคือแทนที่จะให้แกไหลให้ลองสังเกตนะฮะว่า คนสามารถนั่งเล่นไพ่ได้ทั้งคืนเนคือดูการแสดงได้ทั้งคืนเคยพรากฏมีคนก็อ่านหนังสือจีนลงภายในอ่านอ่านอ่านคืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งแล้วเข้าอีกคืนหนึ่งแล้วไปรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งอ่านจนจบไม่น่าเชื่อเลยนะพอข้าวน้องเข้าวข้าวน้ําปัสสาวะเนี่ยปรากฏออกมาเป็นเลือดเลย นั่นคืออะไรคือว่ามันไหลมันไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่จิตมันคล้มันด้วอยวดูดมันด้วยยุมันมันเป็นอาการของกิเลส ท, ทั้งหมดแหละหนังจีนกำลังภายในเราเราอ่านดูเถอะเป็นการกิเลสเป็นอาการของราคะในราคะน้อยนะโทสะนี่จะเยอะฮะโทสะกับโลภะนี่จะเยอะโมหะนี่จะเยอะราคะจะไม่ค่อยมีมากเท่าไรถ้าหนังสือจีนกำลังภายในอ่ะแต่จะเน้นที่โลภะกับโทสะกับโมหะนี่มันเยอะจริง แต่เสร็จแล้วออกมาในรูปลิศยาแข่งดีกันด้วยประการต่างๆมันอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเอกในเรื่องเลยก็เล่นไหลไปก็เพลิดเพลินสนุกสนานกับเล่นตรงนั้นหรือว่าการเล่นไพ่แล้วก็เล่นอยู่ได้โดยลืมเข้าน้ําลืมจิน้นลืมื่อ อ, อะไรเนี่ยเพราะมันเป็นการตอบสนองโลภะของตัวเองโลภะมันก็ได้อาหาร และวิธีการของพระพุทธเจา้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นวิธีการที่จะควบคุมความคิดเนีไม่ให้แล่นไปไกลเก็ไม่มีทิศทางนะะจิตเวลากระจายใ น, นกระจายไปไม่มีทิศทางเลยตเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่ไม่รู้ไปไหนคือถ้าเราความคิดมาเนี่ยสมุดดอกคิดออกมาเป็นตัวอักษรได้เนี่ยคิดออกมาเป็นตัวอักษรได้เราเมาอ่านดูนี่ตลกที่สุด ที่จริงเราก็พิสูจน์ได้นะฮะพิสูจน์ได้ทดสอบได้เห็นว่าคนมานั่งคุยกันเนี่ยแล้วเราเอาแอบคือยายเขารู้นะะยายเขารู้แล้วเอาเอาเทปไปวางไว้แล้วก็อัดไว้คิดว่าเอาเทปสักชั่วโมงร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบเนี่ยเอาไว้สักชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงหนึ่ง และรายามปกติก็เอามาเปิดแล้วกฟังดูมาวิเคราะห์วิจัยตัวเองกันว่า เ, าเราเมืองฟุ้งซ่านน่าดูเลยจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเลยไม่ค่อยสงบเลยเห็นไม้มเรื่องนั้นยังพูดไม่จบเลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องนู้นยังไม่จบบันทีก็พูดประสานเสียงกันมันก็ทาให้เห็นว่าความฟุ้งซ่านภายในใจของมนุษย์เยะ แตนี้ถ้าเรามาอยู่กัเรียบุตยืนก็รู้กันนะนี้เรายืนเดินก็รู้กันนะนี้เราเดินนั่งก็รู้กันในนี้เราดันแต่นี้ทั้องฟังลองสังเกตนะมันมั น, ม, นมันเป็นอาการเกิดดับอยู่ด้วยเอเวลายืนเราก็ไม่ได้เดินเราเดินเราก็ไปนั่งเรานัง่งเราก็ไม่ได้นอนเราก็อยู่ในเรียบทุทรเรียบุตหนึ่งนะครเช่นสมมติว่าเรายืนอยู่แล้วเราเดินเนี่ยเรียบุตรยืนก็ดับเรียบุตรเดินก็เกิดเราเดินไปถึงนั่งอเรียบุตร เดินก็ดับเอียบบทนั่งก็เกิดนั่งเสร็จแล้วก็เอนเอียบบทนั่งก็ดับเอียบบทนอนก็เกิดอะไรเนี่ยแสดงมันมีการเกิดดับมันก็เรียนจากหยาบหยาบอย่างเงี้ยเห็นเห็นอาการของการเกิดดับทั้งหลายแล้วจากนั้นมันจะมองแบบแบบเดิม น, น ะ, ค, ะคือว่าทุกตอนเนี่ยจะจบลงด้วยด้วยข้อความเดิมว่าเอ ย่อุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นภายในบ้างเห็นกายในกายที่เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งที่เป็นภายในภายนอกบ้างแล้วพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและทําความจสมไปในกายบ้างจะเห็นว่าอย่างเนี้ยังแค่แค่เรายกย ก, ย ก, ยกมือเนี่ยมือวางเลยยกขึ้นเนี่ย อิยาบทวางก็ดับอิยาบทยกก็เกิดเกิดแล้วก็เหยียดออกไปอิยาบทยกก็ก็ดับอิยาบทเหยียดก็เกิดแล้วก็วางลงอิยบทเหยียดก็ดับอิยาบทวางก็เกิดอะไรเนี้ยมัน ก, ก็เป็นการเป็นการเกิดดับชีวิตเราเป็นกระบวนการอย่างนี้ยเป็นกระบวนการเกิดดับเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปมันก็ไหลทียิบมาดูกระแสไฟดูกระแสน้ําดูกระแสลมดูแม้แต่การกินอาหารเนี่ย เห็นไหมจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกินจนอิ่มอก็นี้ก็เกิดขึ้นแลว้วควอีกประดำรงอยู่ทำกลางความเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วความอิ่มเนี่ยก็ดับไปกลายเป็นความหิวต่อเอาความอิ่มก็เกิดขึ้นกินใหมนะ่กินใหม่แล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็หิวก็หมุนวนกันอยูยยย่อย่างเงี้ยตกโตลงวิอยาบทใดก็ได้อย่างเคยพบสำหนักกรรมฐานบางแห่ง ัท่านใช้การยกแขนน่ะท่านใช้การยกแขนเฉยๆคือเพื่อดูในแนวของวิปัสสนาก็ดูแนวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือท่านท่านท่านยกแขนน่ะเราจะเห็นว่าวางแขนเนี่ยมันมันก็วางะนะฮะแล้วก็มีสติรู้แทนที่จะรู้ทั้งตัวเนี่ยก็ดูยากก็มาดูที่แขนเฉยๆดูที่แขนเฉยๆก็ดูที่อะไรก็ได้นะที่จริงก็เป็นเครื่องมือในการตั้งสติ แล้วในที่สุดมันก็จะเห็นสัพพรสังขารทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างนั้นเองเราลองสังเกตว่ามันอยู่ในสูตรเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเสด็จออกปณวัตตอนที่พระเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยก็คนแก่นั้นเป็นครูสอนอยู่ข้างหน้าแล้วก็น้อมกมาหาเราน้อมกมาหาตัวท่านเองเออท่านเองต่อไปอยู่นานๆเนี่ยก็ต้องแก่อย่างเนี้ย มันแก่อย่างนี้แล้วก็มองคนอื่นมองในชั้นะน้านหนาก็ต้องแก่คนนั้นก็ต้องแก่คนนั้นก็ต้องแก่เสร็จแล้วก็ทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องแก่พอเจ็บมันก็นเหมือนกันนะน้องก็มาทุกคนก็ต้องเจ็บทุกคนก็ต้องตายก็กลายเป็นว่าคติธรรมดาของชีวิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเอง คนบางคลก็แหลมคมนะฮะยังนึกพอใจสามเณรเ ร, เรวัตน้องชายภาษาลิบุตรยังนึกว่าคนมีวาสนาบารมีเนี่ยคิดได้คิดได้ลึกซึ้งกเกนะิดคือภาษาริบุตรเอาน้องชายน้องสาวนี่บวชหมดน้องชายสามน้มนองส า, าวสามนะฮะแล้วก็หลานชายบวชแต่มีน้องชายคนเล็กนะ ก็ออยุเพียงเจ็ดขวบทันเองนางสารีแม่ภาษารีบุตรเห็นตัวภาษารีบตรจะเอาน้องชายไปบวชซะอีกก็เลยก็จัด ก, การให้แต่งงานแต่ว่าไปแต่งที่บ้านเจ้าสาวแก่จะบ่าวไปบ้านเจ้าสาวที่เจ้าสาวเป็นยังแรกอินเดียยังเป็นอย่างเงี้ยตรงวันอย่างเป็นอย่างเงี้ยอย่างแต่งงานเด็กๆอยู่เยอะเลยเรื่องอะไรก็ไปรู้อินเดียเนี่ยมันแกบแก้ไขา ย, ยากเหลือเกันคือเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะ การเมื่อพันปีที่แล้วในอินเดียยังอยู่เหมือนเดิมอย่างเหตการ์ในเมืองพารานสีนี่ในเมืองพารานสีพระเจ้าเคยแสดงอะไรไว้ในพารานสีเนี่ยเรื่องนี้พารานสีมันก็คือพารานสียังเหมือนเดิมมันจะเปลี่ยนอาคารสถานที่ไปบ้างนี่ยนะอาคารสถานที่เปลี่ยนไปแต่ว่าวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแบบเมื่อสองสามพันปีที่แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ เัินก็แสดงให้เห็นว่าธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยชีวิตชีวิตของคนเรางก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นสามเณรเดวัตเนี่ยตอนนั้นก็ไม่เป็นสามเนนหรอกแต่ประเด็นที่มันจุดกระกายความคิดของท่านเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากเด็กเจ็ดขวบคิดได้อย่างลึกอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติได้เนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มาก ทำให้มองถึงเรื่องบา ร, รมีธรรมของคนคือแต่งงานกันเสร็จเขาก็าไปไหว้ขพอพรย่าทวดย่าทวดเนี่ยรู้ร้อยี่สิบปีแล้วแล้วก็มีการให้พรว่าเขาให้หลานทั้งสองนี่มีอายุยืนเหมือนกับยาทวดเนี่ยย่าทวดร2อยี่สิบปีแสดงว่าอีกร้อยเท่าไรได้สิบสามปี ร้อยยีิบสามปีเนี่ยคนทั้งสองก็แก่มันก็ญาติทวดในวัดก็มองเห็นว่าต่อไปในเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแหะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นร่างกายไม่น่าพิศมัยเลยคนแก่ร้อยยี่สิบปีเนี่ยไม่น่าพิศมั ย, ยคิดว่านี่เองอะ่ะพี่ชายเราจึงได้บวชกระหมดเลยวางแผนแล้ววางแผนไม่เอาแล้วไม่อยู่แล้วแต่ตอนก็กลับบ้านเนี่ย ย่า ไ, ได้จังหวะแกก็ทำทีเป็นข้าวห้องนะ้ำทำทีเป็นไปแวะปัสสาวะในในป่าเดีวกลับมาทุกทีนะฮะกลับมาทุกทีไปยืนหลบอยู่สักพักแล้วกลับมายืดหลบสักพักกลับมาพอเขาเพิ่งเพลิงก็เห็นว่ากลับมาทุกทีคงไม่หนีอาการระแวงระวังก็ย้อนลงไปเปิดแนบเข้าป่าหนีเลยไปบลบวชเป็นสา ม, มเณรอยู่ในป่านะฮะพระสารีบุธทธังสั่งไว้ทุกแห่งไปเจอน้องชายขอท่านที่ไหนจับบวชทันทีเลย ท่านถือว่าท่านเป็นพ่อท่านเป็นแม่ของน้องไม่ยอมไม่ยอมรับเอความคิดเข็นของแม่นะซึ่งซึ่งขัดขวางเอาไว้เนี่ยแล้วต่อมาท่านไปปวดแม่ท่านจ น, นได้เป็นประโสดาบันนะก็นี้ก็คือคือเราจะเห็นว่ามันบทเรียนประกายความคิดเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกแห่งสำเนเ็จงในวัดเนี่ยมองจากย่าทวดซึ่งอายุร2อยี่สิบปี เรียนจากความแก่พระปุติสัตว์ต้งเรียนทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายตรง น, นี้ก็เรียนทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายเกิดขึ้นเสื่อมไปดับไปนะเกิดขึ้นดำเนินอยู่คือในช่วงสุดท้ายนี่มันดูทั้งเกิดทั้งเสื่อมในกายหรือว่าเมื่อก่อนก็ดูเฉพาะเกิดแล้วดูเฉพาะดับดูเฉพาะเกิดแล้วก็ดูที่ดับ พอในที่สุดมันก็ดูตั้งเกิดขึ้นตั้งตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วดูตั้งเกิดกระดับและวพอดับดูที่ดับอย่างเดียวนะะดูที่ดับอย่างเดียวร่างกายชีวิตเราเนี่ยมันเลื่อนไหลไปตามการเวลาไม่มีการไหลที่ย้อนกลับเหมือนกับน้ําที่ตกจากที่สูงเนี่ยมันไม่ย้อนขึ้นไปนะ มันถ้าสวยเป็นไอ้ก็เป็น อ, อ, อ, อ, อีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันจะย้อนขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่จะย้อนขึ้นไปอย่างนั้นเพนั้นเห็นว่าชีวิตนีมันเข้าถึงธรรมดาทีนี้ถ้ามองเห็นอย่างนั้นมองเห็นเกิดดับอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความคิดที่ว่าร่างกายเรามีอยู่เนี่ยมันก็มีอยู่สักว่าเป็นเครื่องมือในเครื่องอาศัยเข้ามาสู่ความคิดกรอบความคิดเดิมนะฮะหมายความว่าก็ สติว่ากายมีอยู่สติที่ระลึกว่ากายเนี่ยกายของเราเนี่ยกายมีอยู่เนี่ยไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอคือเธอระลึกอยู่อย่างนั้นก็เห็นว่ามันก็เพียงศักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสภาวาเป็นที่ระลึกอาศัยระลึกก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดอะไรอยู่ในกายประกายในยที่สุดมันก็เกิดดับอย่างอย่างเนี้ยอย่างแม้แต่ยกเท้าเหยียดเท้าเหยียบลงเนี่ยเราเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ทำอะไรก็ตามจะเห็นอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในต่หายใจเข้าหายใจออกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกินข้าวก็เกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปอาบน้ําก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไ ป, ก, บไปก็เป็นกระบวนการที่ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็ก็จะไม่ยึดมั่นถึงมั่นไม่ยึดมั่นต่อในร่างกายว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เริ่มประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นการเสนอให้เลือกเอาไม่ได้ไหมายความว่าต้องทําทุกข้อนะเราถ้าหนักข้อไหนเราก็เอาข้อนั้นจากในข้อต่อไปนั้นทรงสอนในแนวเรื่อสัมปจัญญะปปะคือมอีปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะของการเคลื่อนไหวก็ยืนเดินนั่งนอนเป็นเกณฑ์เหมือนกันนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยคงเป็นเกณฑ์อยู่แต่ว่าเป็นความรู้ทั่วพร้อม ต่อความเคลื่อนไหวอยู่ทุกขณ ะ, ะหมายความว่านอกจากยืนเดินนั่งนอนแล้วเนี่ยในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลังก็มีสัมปชัญญะในการแลไปข้างหน้าเลี้ยวไปข้างซ้ายข้างขวาในการคั้วไวัยวะเหยตะไวยวะออกในการที่ทรงผ่าสังกติหมไอ อุบาตรอะไรแต่อก็ตามหรือไมายความมาทําอะไรก็ตามแม่แต่แม่แต่อุ จ, อจาราปัสสาวะเนี่ยฮะถ่ายอุจาราถ่ายปัสสาวะก็มีสติระลึกรู้อยู่ที่การถ่ายอุจาราถ่ายปัสสาวะจะกินจะดื่มจะเคีเ้ยวจะลิ้นจะชิมจะถ่ายอุจาราจะถ่ายปัสสาวะจะยืนจะเดินจะนั่งจะหลับจะตื่นจะพูดจะนิ่งอะไรแต่อะไรเนี่ยมีสติกํากับอยู่ตลอด อย่าน้อยก็จะไม่เผลอเลยไม่หลงลืมแล้วไม่พลั้งพลาดอยู่อย่างนั้นแหะจนเห็นความเปลี่ยนแปลงมีการเกิดดับแล้วก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณากายโดยนิย่าที่กล่าวแล้วคือทุกข้อนี่จะสรุปลงตรงนั้นทั้งหมดสรุปลงที่ดูกายที่ที่เป็นภายในบ้างดูกายที่เป็นภายนอกบ้างดูทั้งกายที่เป็นภายในทั้งภายนอกบ้างดูความเกิดขึ้นของกายบ้างดูความตั้งอยู่ของกายบ้างดูความดับไปของกายบ้าง ดูทั้งความดับและความเไม่ใช่ความเกิดและความดับไปของกายเนี่ยก็ดูไปอย่างนั้นน่ยในที่สุดมันจะรู้สึกว่ากายมันก็ก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่ากายนั้นแสดงว่าตรงนี้ที่จริงอารมณ์ค่อนข้างประนีตนะอารมณ์ค่อนข้างประนีตไม่ค่อยน่ากลัวทอะไรแต่นี่อาการไม่น่ากลัวบางทีมันก็ดูไม่เห็นนะดูไม่เห็นคล้ายๆกับเนี่ยพิจารณาร่างกายเช่นพิจารณาของ อสุภกรรมฐานเนี่ยอสุภกรรมฐานพิจารณาศพต่างๆเนี่ยคือบางทีมันต้องให้ศพที่มันวิปริตไปหมดแล้วนะมันเละเทะไปหมดแล้วเลยน้ำเหลืองไหลอเนื้อบางส่วนดังกายหายไปกระดูกโผล่ขึ้นมาแล้วมีน้ำเหลืองไหลแล้วมีกลิ่นเหม็นอะไรสารพัดคือจิตมันต้องไม่แปรผันน่ะคือบงที่จิตมันแปรผันได้อ่ะ เการพิจารณาซากศพเนี่ยเขาไม่ดูซากศพที่สดๆหรอกต้องไปดูซากศพที่มันวิกลวิกาให้เห็นว่าสามารถช่วยน้อมนําจิตใจให้เห็นเป็นความปฏิกรูน่าเกลียด น, ยน่าขยั่งน่าขยะขยงเราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นชาวศพนี้ก็เป็นอย่างนี้แม้เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็คือการมองในแนวใดก็ได้นะฮะในการยกขึ้นเนี่ย ตรงนี้ต้องฟังลองสังเกตว่าเราก็กลับไปสู่ตรงนู้นกลับไปสู่ก็เาเรียกสู่พระวิปัลลาศถึงหมายคาวามมาที่เอาร่างกายมันดูมากมายแก่กองเนี่ยมันร่างกายมันเป็นที่ตั้งของตันหามานาทิจจิทิจจิว่าเป็นตัวเป็นตนชาวรยั่งยืนเดินทางใหญ่โตมาโบราณามากๆนะฮะคออือยังนึกยังนึกขำๆนะบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ยเรื่องตัวเองให้เดือดร้อนนะ เช่นสมมติว่าเราดื่มน้ําสักแก้วเนี่ยปัญหาว่าคุณเป็นใครมันแบ่งชั้นแม้แต่แก้วจะดื่มน้ำมานะอย่างของผ้าเราในกอรุ่งรังจังไม่รู้เอามาจากไหนรุ่งรังจังเลยเช่นสมมติว่าเป็นราชาคณะชั้นนั้นจะต้องนั่งพรมอย่างนั้นจะต้องอัชนะต้องสีจังนั้นอ อ, อะไรล่ะแก้วไอะไร ต่างๆเนี่เขาเรียกอะไรมันงหคื อ, ค, อคือดูแล้วแต่มันมันไปล่าไปเห็นตัวเองไปเจอเราก็อึดอัดนะ้ทําไมมันต้องรุงรังขนาดนั้นคือมันทําให้แทนที่จะเบาสบายเนี่ยพระเนี่ยก็สอนในสันละหุกุติประพฤติเบาสบายคือสําเร็จประโยชน์นี่อะไรก็ได้เขาให้ดื่มนม้ําดื่มยังไงก็ได้ใส่ขวดมาก็ได้ใส่แก้วมาก็ได้ ก็แม้ติดใจใส่ขันน้ํามาก็ได้มดื่มได้กับน้าอ่ะประเด็นต้ําขันไม่อยู่ที่น้ํำแต่มันาใสอัตตาตัวตนที่มันเครืองขึ้นแล้วมันสร้างเงื่อนไขอล้วมันผลาญพลังอ่ะนะผลาญพลังสูญเสียเวลาไปเยอะเช่นสมมติว่าทำอมหารแล้วก็จะมีผักโอ้ผักสมบคนใหญ่คนโตเดี๋ยวมันต้องตกแต่งประดับประดากันเสียเวลามากมายไก่กองบนรถไฟเอาไปเคี่ยวแหลกหมดเลย เนี่ยมนุษย์จะมีของเล่นจนจ น, จนไม่รู้อะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแต่นะที่จริงพวกนี้มันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเฉยๆมันสเส็จประโยชน์คือสะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วสเสบประโยชน์ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องไปหรูราคุ้กฟ้าอะไรนาแต่เพราะว่าเราต้องการเสริมอัตตาว่าชั้นใหญ่นะฉันมีความสำคัญนะนะเช่นเ่นอะไรพวกหมอนอิงในยันต่างๆเคยไปที่จังหวัดภาคอีสาน หมอนอิงอะไรบนย่อยจังเลยนะย่อยทวมหัวเลยนะหมอนที่ไอ้สามเหลี่ยมของของทางไพสานบางทีก็สี่เหลี่ยมบางทีก็สามเหลี่ยมมันใหญ่จริงจริงไม่ทำทำอะไรใ่อยเกินเกินความจำเป็นที่จะใช้ไปนะนี่ก็คือไปเสริมพวกอัตราตัวตนรู้สึกว่าตนเป็นตนได้ตนมีตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ และการศึกษาก็ามาสั่งสอนให้มองให้มองให้เห็นว่าในกรณีของปัญหาเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราและอน่าสนิทสนิหาอะไรหรอกที่จริงมันเป็นกระบวนการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเท่านั้นเองเดี๋ยวมันคุมกันยังมีสัสดส่วนอย่างคล้ายๆกระ บ, บนใบหน้าของเราในที่กําหนดว่าสวยไม่สวยเนี่ยก็มันขึ้นอยู่กับการกําหนดเอา แล้วก็ถ้าวัยยาณส่วนใดส่วนหนึ่งมันบิดเบี้ยวไปสักจุดหนึ่งท่านั้นเองเราก็รู้สึกแล้วว่าไม่สวยแต่พอไม่สวยเนะี่ยเกิดเกิดเกิดไม่พอใจนะเกิดโทสะพอสวยก็เกิดโลภะเกิดราคะตกลงว่าเป็นที่ตั้งของกิเลสมันก็กลายเป็นที่มาของตนานามานาทิฏฐิต่งางว ตอนนั้นเราก็สอนในมองในแนวตัวนี้ที่จริงก็คือเน้นที่แนวอณิจตตานะให้เราสังเกตว่าแนวแนวแนณิจตตาคือว่าทําไงละ่ะเพราะว่าทิฐิที่รู้สึกเรารู้สึกว่าเราจะยั่งยืนนะเรายั่งยืนเราแปรผันคือบางคนเนะี่ยอย่างนึกว่าตัวเองแก่คือคาดหน้าตัวต้องนั่งเก้าอี้เข็นแล้ว่นะอยังอ ย, งอยากไดอางงา้อย่างนั้นอย่างนี้ยังอยากเป็ น, อ ย, างงานอย่างนั้นอย่างนี้เอมันอะไรมีคราวหนึ่งนีมีพระ นั่งรถเข็นมารับพัดเนี่ย น, นะรัพัดในวังนั่งรถเข็นมาเราเร า, เราท้อเอนะไรอ่ะกินแล้วเราสลดตูเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยแกแล้วก็แกะนะฮะแล้วก็ไม่สบายอยู่แล้วมารับทำอะไรก็เหมือนกันแหละก็ประกาศเป็นลมราชองค์การไปแล้วน่งก็เป็นเหมือนกันมาแล้วมันดูทุเรศ ท, ทุรังนะะคือไปสแสดงความยินดียินร้ายอะไรมากเกินไป นะบางครั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นจริงนะเมื่อเราเริ่มมาจากไม่เป็นแล้วเราเป็นแล้วก็ไม่เป็นอันนี้คือกฎเลยเป็นสูตรเลยเริ่มจากไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่ได้นะฮะเริ่มจากมีแล้วก็ไม่มีไม่ใช่เริ่มจากไม่มีแล้วก็มีแล้วก็ไม่มีที่จริงเมื่คือกระบวนการอย่างนั้นและนี้ก็เป็นการศึกษาความจริงแห่งชีวิตกับร่างกายในที่แยกส่วนออกมาจากมองมุมในด้าน ต, าต่างๆแล้วมองจาร่างกายนี่เป็นหลัก เรื่งฟังทั้งหลายใต้โรกมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญเมอตงามไปบูรณนธรรมยงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี